ไปรอบโรกเลยนะเขาเห็นอะไรที่เขาชอบนะเขาก็เก็บ ส, สนนะสมจุดหนึเป่าเดินทางไปเรืเนะ่อยมีเป้ใบใหญ่ไปด้วยเนาะเห็นอะไรน่าซื้อก็ซื้อหรือบางทีก็บีบคนใหนะ้เขาก็ละเก็บไปทั้งหมดเลยนะเดินทางไปทั่วประเทศไทยเนะจ็ดจนะ็เจ็ดจังหวัด เดินทางไปทั่วโลกอีกอีกหลายประเทศยมอคิดว่ากระเป๋าปเปใบหนึ่งนะที่เขาพอที่จะแบกได้เนี่ยมันจะใส่พอหรอเป่าเอาเคในประเทศไทยนี่ก็คงไม่พอแล้วเนาะส <c oughs> มมติไปแต่ละจังหวัดนะเอาจังหวัดอัหนึ่งชิ้นนะเห็นตินค้าอะไรนี่หรือว่ามีคนเขาให้อะไรเนาะ เราแค่ประเทศไทยนี่ก็คงไม่พอแล้วที่ยิ่งไม่ต้องไกลนะแค่เอาห้างนึงในท่าทอย่างได้อะไรทุกอย่างเนี่ยซื้อทุกอย่างที่เราต้องการนี่ก็ตรงถือไม่ไหวเนะาะเราสังเกตบางทีชีวิตเราเนาะถ้าเปรียบเทียบว่าเราเป็นคนเดินทางคนนั้นถ้าทุกอย่างที่เราต้องการเนี้ยเราต้องต้องไปฟ้าเอามาให้ได้เนี่ยมันจะเป็น จะเป็นความสุขหรือมันจะเป็นภาระ <c oughs> ใช่ไหมแต่เราก็คิดแบบต่อข้างตัวเราเนะเาะแต่ก็ต้องควรมีบ้านดังใหญ่หญเพื่อจะได้สี่ที่เก็บสิ่งที่เราซื้อมาสิ่งที่เราได้มาแต่ก็ต้องมีธนาคารหาเงินมาไว้บ้านก็กลัวจะหายก็ต้องไปฝากธนาคารมีเพชรมีพอยมีอะไรก็ต้องไปฝากไว้ ชีวิตเราก็เลยมันก็ได้ยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆเนาะ ừ, แต่ถ้าเราลองสังเกต ด, ดูดูสัตว์นะนหลาย็นนิดนะะบ้านช่องเขาก็าไม่ได้มีปีจัาลักษณะนะนกก็ทําดํามแต่พอตัวนะบินหาเช้ากินข้าวนะมีเก็บบ้างในบางฤดูอนการนะชีวิตเขาก็พออยู่ได้เนาะ <c oughs> แต่ชีวิตมนุษย์เ ร, เราีต้องมีอหลายอย่างมากถึงเราจะถึงจะรู้ รู้สึกว่ามันมันเพียงพอนะหรือว่ามันถึงจะเติมเต็มความสุขในชีวิตเราได้ทนะีนี้ก็น่าแปลกนะชีวิตคนเราบางทีก็มักติดคิดกันเช่นนี้นะนะที่จริงบางทีเราลองย้อนกลับมาดูว่าความสุขในชีวิตเราจริงๆคือเรื่องอะไรนะเรื่องติดของเอ ง, องินทองเรื่องบุคคลมันเป็นความสุขที่แท้จริงของเราได้หรือเปล่า มันก็อาจจะตอบสนองความสุขทางทางกายภาพได้เนาะเป็นความสุขแต่ความสบายเรามีารถรถสบายไม่ต้องไม่ต้องร้อนนะกับแดบดบในการถนนไม่ต้องปีหัวรถมีแอ่งกับคนอื่นนะเรามีบ้านอยู่นะก็มีหค่องแอร์ปรับความร้อนปรับความเย็นได้นั่ก็ดีกับคนไม่มีบ้านหรือมีบ้านที่ที่ ไม่เพียบพร้อมไม่มีเครื่องปรับอากาศก็อาจจะร้อนหน่อยอาจจะหนาวหน่อยเรามีทุกอย่างนะก็เพื่อช่วยช่วยได้จริงแค่เาํามือพระดวกทางกายเนาะนะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะช่วยถึงจิตใจได้แต่อย่างแท้จริงหรอกนะแต่แน่นอนการที่เราสุกกายระดับหนึ่งก็คอยทำให้เราสุขใจด้วยแต่มันก็ไม่เสมอไปคนที่มีความพร้อมทุกอย่างทั้งว่ากายภาพ แต่ชีวิตก็ยังมีมีปัญหานะยังมีความทุกข์ใจอยู่ได้นะเพราะอะไรนะเพราะเตพราะการที่เราวางใจยังไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเรายังไม่มีการฝุกใจนะอย่างแท้จริงอันนั้นสิ่งที่สําคัญนะมาเชื่อว่าพวกเราหลายคนในที่นี้คงมีปัจจัยภายนอกเนี่ยพอประมาณกนันละนะ แต่พอประมาณนี่เราจะรู้จักพอหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเทียบตามมาตรฐานอย่างของอาตมานะหรือของคนที่มีน้อยกว่ามาว่ามันก็พอประมาณแล้ว น, นะอย่างพระเองมีจีวรสามสื่นนะจีวรหนึ่งสังคติสังคติหนึ่งแล้วก็ตัดระเบงบ้างนะมีแค่นี้นะมันก็พอนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากโยมก็มีพอแล้วแหละนะ อาหารการกินก็จะมีเต็มโต๊ะอาหารหรือมีเพียงแค่อยู่ในชาอ่มแค่ชามใบเดียวนี้ก็อินมแล้วหนึ่งมือ้อใช่ไหมนันก็พอละพมาก็เลยมองว่ามาตรฐานชีวิตพวกเราในภายนอกเนี่ยมันเพียงพอละแต่เราจะรู้จักพอใจในชีวิตของเราหรือเปล่าะถ้าเรามีความพอใจในชีวิตของเราได้เนี่ย เราจะเห็นในว่าที่จริงความสุขของเราเนี่ยมันมง่ายๆนะความสุขมันมง่ายเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็สามารถมีความสุขได้โดยการที่เราอยู่กับชีวิตของเราจริงๆนะเข้าใจม่อยู่กับชีวิตจริงๆเรามีลมหายใจถ้าเราได้อยู่กับลมหายใจจริงๆนะมันจะมีความสุขนะเรารู้สึกถึงลมหายใจ ที่เข้าที่ออกเนะี่ยจิตมันอยู่กับรมหายใจนะมันจะมีความสุขนะเราเดินนะจิตอยู่กับการเดินมันจะมีความสุขเป็นความสงบเรานั่งนะจิตเราอยู่กับการนั่งอยู่กับปัจจุบันจิตจะค้นพบความสุขนะเพราะความสุขที่แท้จริงคือการแค่เราคล้ายๆอยู่กับสิ่งที่เราทานะํานั่นแหละ เนี่ยสิ่งเคล็ดลับที่พระเจ้าทัานคนพบนะแต่ก่อนคนส่วนใหญ่คิดว่าความสุขเนี่ยต้องมีนั่นมนีนี่นะก็เลยเที่ยวแสลงหานะอันนั้นติเป็นตินที่พระพุนธเจบอกว่าอันนี้คือการมาสุขขาดขั้นที่การมโยุคือทางผุดโตกันหนึ่งคือเราต้องคิดว่าความสุขอ่เนี่ยต้องไขว้คว้าต้องหานะอีกด้านหนึ่งนะบางทีเราก็ไม่พ้นพบความสุขในปัจจุบนันก็ราะอะไร เราก็ไปแทนที่เราจะมีความสุขหรือความพอจะมีปัจจุบันเรากลับไปทาตัวเองให้มีความทุกขเองในการวางใจผิดนะในการคิดผิดในการเรียกว่าแบกทุก อ, อย่างให้เป็นภาระเป็นความขงมโนใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็อยู่กับอดีตที่ปวดร้าเราไปอยู่กับอนาคตที่เราไม่สามารถที่จะ แน่ใจได้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะแม้เราจะบอกว่าเราจะวางแผนเราจะป้องกันแต่จริงไม่มีใครรู้จริงๆนะว่านับ ก, ก็เป็นแบบไหนนะเราก็ได้เกิดความกรงวลใจแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆนี่แหละนะเราจะเพือใจเราจะเกิดความเบาสบายใจจะมีความสุขใจจะตัดมาจากความกังวลได้อันนี้คือแช็ลในการใช้ชีวิตนะอ่านะ การที่เรามาฝึกเจริญสติก็นะคือการที่เราฝึกในการที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะไม่มีอะไรเป็นมากกว่านี้กนะารที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเราทำอะไรก็ให้เรารู้สึกตัวในสิ่งที่เราทำนะว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะจะยืนจะเดิ น, จ ะ, ดนจะนั่งจะนอนนะจะกระพริบตาจะหายใจ จะซืนน้ำรายจะพยักหน้าะจะเข้าห้องน้าให้เราคอยตามรู้ความรู้สึกที่กายเราเคื่อนไหวนะกายเราเคื่อนไหวกายทำอะไรเนะี่ยให้ใจคอยคอยรับรู้จะเรียกว่ากายอยู่ไหนให้ใจอยู่นั่นก็ได้นะพเพราะบางทีมันนงทีกายอยู่ที่นี่นะแต่ทีใจเราคิดไป คิดไปถึงที่บ้านที่ไปถึงที่เที่ยวที่เป็นถึงที่ทํางานที่ไปถึงที่ทนนดทอดีตหรือ น, นาคอได้แต่เคลับก็คือว่ากายอยู่ไหนให้ใจอยู่ที่นั่นด้วยนะกายเราทาอะไรให้ใจทำด้วยนะนะเรียกว่าเป็นการมีทั้งสติมีทั้งสมาธินะนะให้เราพยายามกลับมาแ ต, แต่ใจเราเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกง่ายแบบนั้นเนาะอ่า <c oughs> มันคล้ายๆเหมือนกับเด็กนะเหมือนกับเด็กสนนะแต่ผู้วิจาทณาทเปรียบเทียบใกล้เขียงแบบ น, นั้นเขาบอกว่าใจเนหะมือนกับดิงนะมันจะอยู่นิ่งไม่เป็นหรอกนะนะิงมันกย่อมไม่อยู่นิ่งเด็กตอนเจ็ดค้าศ์สองนเด็กมันจะต้องนะวางไว้าาตรงนี้ห้ามสู้ไปไหนนะมนไม่ได้หรอกนะธรรมชาติของเด็กที่ฉลาดนะมันก็ต้องสนบ้างเป็นธรรมดาธรรมชาติของใจที่กําลังเฉลาดนะ มันก็ต้องสนไปบ้างนะสนออกไปทางไหนนะใจเนี่ยมันจะออกไปตามตานะตาเห็นรูปนะมันก็จะไหลไปไหลไปชอบนะไหลไปไม่ชอบนะอันนี้สวยชอบใจอันนี้ขี้เรศนะไม่ชอบใจนะหูได้ยินเสียงเพลงนีเพราอมืูอนนะ อยากจะฟังนะร้องตามในใจเพลงนี้ไม่พออยากจะเป็นปิดอยากจะไปว่าคนเปิดเพลงนะเกวดความไม่ชอบใจอาหารนี้อร่อยนะก็อยากกินอีกอันนี้ไม่อร่อยก็ไม่อยากกินแล้วนะหรือความคิดเนาะความคิดก็มีหลายแบบนะบางทีโดยเฉพาะ บ, บางคนเป็นคนที่สนใจธรรมะเนาะสนใจเรื่องการปฏิบัติ บางทีเราก็จะไม่ชอบถ้าเราคิดไม่ดีนะหรือบางทีเราก็ไม่รู้สึกไม่ชอบที่เราหุดหอีกเราโม โ, มโห อ, อีกแล้วหรือนี่นะคลิกแบบีอีกแล้วหรอือโมโหอีกแล้วหรอือเราก็จะเกิดความไม่พอใจใจของเราเองนะแต่บางทีบางคนเม่อดปฏิบัติทา ง, างทียิ่งโกรธยิ่งสะใจนะยิ่งมีความสุขนะแต่เป็นความสุขแบบ ค, คนที่ไม่ได้ปฝึกนะนะ นะใจเรามันจะไหลหออกไปนะทางตาหูจมูกเดิงกายแล้วก็ใจนะการมีสติเนะี่ยการฝึกเจริญสติเนะี่ยเราไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะห้ามใจไม่ให้มันไม่คิดนะนะแต่สติเนะี่ยจะเป็นเหมือนตั ว, ต, วตัวเรียกนะเรียกให้กลับมานะพอใจเราไหลไปทางตาที่ชอบแล้วพอเรามีสติมันจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะ พอหูมันได้ยินเสียงที่ไพราะใจมันไหลไปแล้วแต่ก็มีสตินะเรียกมันกลับมานะเปลี่ยนเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กถ้ารกเล็กๆนะ่ะมันคานไปเล่นในที่อันตรายแต่เขาปิดฟ้าเขากลับมานะหรือเราเลี้ยงหมานะเราตั้งชื่อมันนะแต่ก็เรียกชื่อมันไปบ่อ ย, ยมันจำได้มันก็จะกลับมาหาเรานะอันนี้สติคือการที่มันจะระลึกได้นะระลึกได้ในการที่ เขาเผลอไปแล้วนะเราเองก็เลื่อนได้ว่าใจเราเผลอไปแล้วนะเผลอไปทางไหนพอเรามีสติเนะี่ยมันจะเลื่อได้ทำมันอยู่กําเนื้อกตัวนี่นคือในการจ ะ, จะเลจริัสตินะไม่ใช่ว่าเป้าหมายของเราคือใจต้องอยู่นิ่งใจมันต้องไม่วิ่งนะนั้นถ้าเราภาวานาเนี่ยเราใจมันจะไม่วิ่งเนะี่ยไม่เป็นไรนะนะแต่ให้เรามี ติดเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูแล้วก็ปล่อยเรียกเขากลับมาการที่จะเรียกเขากลับมาก็คืออะไรมันมีอุบายนะเราจะสร้างการเคลื่อนไหวกรรมฐ า, านตัวอย่างจะเป็นตัวเรียกให้จิตมันกลับมาอยู่ตําเนื้อตับตัวเนะี่ยสายของข้อเทียนเองก็อาศัยกรรมฐ า, านในการสร้างการเคลื่อนไหวของกายให้ให้ชัดๆนะเช่น การเดินจมกงก็ไม่ต้องช้าไม่ต้องย่อมมากการนั่งก็มีการเคลื่อนมือเป็นสิบสี่ท่านะเพื่อรีสติในการประมาณอยู่บนเนื้อกับตัวนะบางทีทําเบาๆแล้วเราก็อาจจะไม่รู้ตัวบางทีก็ทําแรงๆขึ้นนะมันก็จะรู้ตัวเรียกกลับมาใใคล้ายๆเราเคเห็นแม้บางทีคนนั่งนิ่งๆเนาะตาเลอยๆนะก็คืออะไร เขาเหม่อลอยเนาะเขาขาดสติพอมีคนเปตนะกี้เน่าก็รู้ตัวใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันใจเราบางทีเนะ่ยเราทาอะไรนะเหมือนเหมือนเราอยู่กับสิ่งที่ทําแต่จริงใจเราลอยไปไม่รู้ตัวการที่เราสร้างความเต้นไหวหรือการที่สติมันเรื่อนได้ของมันเองเนี่ยแหละมันจะทําให้เราปลกตัวเองกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคําว่าพุโทโธพุทธ เหราอพวกพุทธเจ้าก็คือนะการกลับมารู้ตัวนี่แหละนะไม่ใช่อะไรมากนะเราเจริญสติเพื่อให้เกิดพุทธะในใจก็คือเกิดการรู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวแล้วมันจะเกิดความเบิดบานเปิดบานความสในใจนี่แหละนะการมีสติคือตรงนี้รู้ทันตายที่เคลื่อนไหวเป็นจังหวะเป็นกิจกรรมแต่ละกิจกรรมไปแล้วก็รู้ทันใจที่มันเผลอไปตาม นะตามอายุชะนะทั้งหกเนี่ยอันเนี้ยเรารู้ทันแล้วเนะี่ยไม่ได้มีอะไรไปมากกว่า น, นั้นนะแต่พอเราทําแบบนี้บ่อยๆนะมันจะเกิดความเข้าใจนะเกิดความเข้าใจเห็นว่าที่อันนี้เป็นเพียงแค่อา ก, การของกายเนาะที่กายมันปวดกายมันเจ็บกายมันแก่เนะี่ยมันเป็นเพียงแค่อา ก, การของกายที่อา ก, การของใจมันคิด มันมีอารมณ์มีความรู้สึกมันเป็นเพียงแค่อาการหงดหงใจมันไม่มีเราก็้าไ ป, ป็นมันไม่มีแต่ก่อนเราคิดว่าเรานะเราโกรธเราเจ็บนะแต่พอมีสตินะมันจะเห็นว่าแค่อาการอาการโกรธอาการเจ็บใช่ไหมันจะมันจะถอนความเป็ น, นตัวเราออกมาจากทุกสิ่งทุกอย่า ง, ง, ง, งเพราะว่าอะไรเพราะว่าว่าจะ ย, ย่อแล้วความทุกเนี่ยก็คือการที่เรา ไปอุปโภคอุปทานว่ามันคือเรานะสิ่งที่เราทุกก็คือนะเรื่องของกายเรื่องของใจนี่แหละนะแต่ว่าเร า, เรามีปัญญาก็คือถอนความเห็นผิดว่าอันเนี้ยกายนี้ของเราใจนี้ของเราแต่พอเรามีปัญญามันจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของใจนะไม่มีเราเป็นผู้เป็นเมื่อไม่มีเราเป็นผู้เป็นมันมีแต่อาการทุกข์ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์ เน่ปัญญาคือตรงนี้นะไม่ใช่ว่าเราต้องไปรู้อะไรมากแต่พอเราเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่อักการทุกข์ของกายเป็นเพีงอาก า, ารทุกข์ของใจมันแยกสภาวะตร น, นี้ได้นะแยกเป็นเรื่องของรูปแยกเป็นเรื่องของนามแยกเป็นอาการของรูปแยกเป็นอาการของนามนะแยกเสร็จเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องของทุกข์ของรูปนะเราแก้ไขไม่ได้นะบำบัดได้เฉยเฉยอันนี้ทุกขของนามเนี่ย เพาเราเผลอไปนี่เองนะพอเรามีสติเนาะมันจะแยกตรงนี้ได้เป็นเพียงแค่อาการสัณฐานแนวปัญญามันจะถอนตัวเองออกมาอยู่เหนือโลกก็ตรงเนี้นะไม่ใช่พ้นไปอยู่ดาวเคราะหงไหนนะอยู่กับดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยแหละนะแต่มันไม่ติดโลกนะมันเหมือนกับน้ํามันไม่ไม่ปะสมกับน้ำํำนะมันมันอยู่คนละส่วนกัน เหมือนเราสร้งกายของเรากับเสื้อผ้าเนะี่ยคนส่วนกันนะแต่บางทีเราไปหลงน ะ, ะเราเราใส่ชุดเป็นหมอแล้วก็หลงว่าเราเป็นหมอคนอื่นคนไข้เถียงไม่ได้เราสวมหมวกเป็นพ่อเป็นแม่นะลูกก็ห้ามเถียงนะห้ามเดือดนะฉันเป็นแม่เธอนะจะเป็นพ่อเธอนะเราหลงสมมตินะแต่พอเราเห็นความจริงว่าที่จริงอ่าสมมติต่างๆเนี่ย มันทับสิ่งแค่เป็นหน้าที่นะในทางโลกแต่พอเราเห็นที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปสุขไปทุกข์กับหน้าที่ทางโลกเนาะแต่เราเพียงแค่ทําหน้าที่ในการที่นะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่งางๆแต่จริงสิ่งที่แท้จริงคือปมาจุบันคือตอนนี้ยใจมันใจมันทุกข์อยู่นะเราจะทําไไรที่ใจมันออกจากความทุกข์ได้พอเรามีสติมันจะเห็นสภาวะที่เรียกว่าติดโป๊ เพาะจิตที่ปกติจริงๆคือจิตที่ไม่ทุกไม่สุขนะสภาวะนี่คือจิตที่ไม่ทุกไม่สุขถ้าจะเรียกว่าสุขก็เป็นสุขที่ไม่ได้เจือด้วยวัตสุสิ่งของเป็นสุขที่เกิดจากความสงบเป็นเป็นสุขที่เกิดจากการรู้ตัวนะสภาวะนี่เรียกว่าเป็นจิตพุทธะนะจิตผู้รู้ก็ได้ถ้าเราก็าถึงจิตสภาวะตรงนี้นะมันจะเห็นนี่ให้เรื่องทุกเนี่ยมันจะไม่อยากเข้าไปไม่ไปถือ ไม่ไปเล่นไม่ไปเกี่ยวข้องนะมันจะเหมือนเราพอเราโตเป็นผู้ใหญ่เนาะจะให้เราไปเล่นดินเล่นติ่งรกระโปรงเหมือนเด็กเล็ก ๆ, ๆมันก็ไม่ได้นะเนาะอนี่มันก็ไม่อยากไปเกือบก็วจิตของเราก็เหมือนกันนะพอจิตเราเริ่มมีสภาวะเป็นพุทธะมากขึ้นเนะี่ยมันจะเห็นอารมณ์เป็นสิ่งรกระโปรงไม่ว่าจะอารมณ์หุดหงิดนะแต่ก่อนเราสะเผล่เข้าไป คิดคือปรุงแต่งแบบเขาไปเป็นตัวเป็นตนด้วยเรจะเห็นว่าความหงุดหงิกเนี่ยมันเป็นทุกข์เมื่อมันเป็นทุกข์มันจะวางมันไม่อยากเอาแม้แต่เรื่องที่เป็นเรื่องที่พอใจนะถ้าเราเผลอพอใจแล้วเราไปยึดมั่นสัมคัดหมายเนี่ยเห็นเลเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์นะเมื่อเห็นเป็นทุกขแล้วที่เหมือนไม่อยากทุกข์นะจิตมันจะไม่อยากทุกข์มันจะวางของมันเองนะมันจะปล่อยของมันเองเนี่ยเรื่อง เรื่องพอใจหรือเรื่องไม่พอใจเมื่อไม่สติรู้นะมันก็จะวางเอามันได้เนี่ยคือปัญญาที่เกิดจากการภาวนานะไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการรู้จากการฟังหรือการคิดได้นะแต่เป็นปัญญาที่จิตใจมันถนัดความจริงกนะารที่เรามาภาวนาก็เพื่อให้จิตใจมันพัฒนาตรงนี้แหละนะอันนั้นแม้เราจะอ่านมากแม้เราจะเข้าใจ ในการคิดแต่ตองได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามพัฒนาใจให้เป็นเช่นนั้นเนาะนั้นการภาวนาเนี่ยไม่มีไม่มีทางรักเนาะมีแต่ทางตรงคือตรงในการเข้าไปเรียนรู้ความจรงิงนะความจริงคืออะไรพนทธศสนอริยสัจสีความจริงข้อแรกคือเรื่องของความทุกข์นะสิ่งที่เราควรเรียนรู้คือเรื่องของความทุกข์ ว่าโดยอดพุกคืออะไรกายใจนี่แหละคือตัวทุกแต่มันจะทุกก็ต่อเมื่อเราติดยึดว่ากายใจนี้เป็นตัวเราอุปทานขันทั้งห้าคือตัวทุกเรามาเรียนรู้จากการที่ตัวทุกคือคือกายใจนี่แหละเรียนรู้ว่าเมื่อไร่เราเผลอไปเป็นมีอุปทานยึดมั่นกายหรือว่าใจเนะี่ยมันเกิดความทุกข์ใจ ตัวประธานก็คืออะไรคือตัณหาใจใจนี่แหละนะตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากเอาหรือตัณหาในการที่หลงนะหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเนะี่ยเราจะเห็นเลยว่ากายใจมันเป็นตัวทุกข์แต่จริงมันเป็นเพียงแค่สภาพวัตถุแต่เมื่อไรที่เรามีตัณหามีความยึดมั่นนันนน่นแหละมันทะุกข์เต็มๆหละนะ เมื่อเรามีสตินะคือการเจริญมั่งเจริญมั่งเนี่ยจะเรียกว่าอาว่าเยอ่อดก็ได้ว่าเป็นแท้มีสตินะมันจะมีทุกอย่า ง, งเข้ามาประกอบทั้งหมดนะเมื่อมีสตินะโยมไอ้ที่คิดไม่ดีมันก็จะเริกคิดไม่ดีนะก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะนะเป็นทั้นตอนเห็นถูกเป็นทั้นตอนคิดถูกนะวาจานะมันก็เกิดจากความคิดนี่แหละ มันโกรธนะมันมีความขุ่นขีดมาถึงไปด่าเขามันอยากได้ของคนอื่นมันก็เลยไปโกองเขาอี่มันเกิดจากความคิดที่เป็นขบุตลขึ้นมาก่อนพอเรารู้ทันสติรู้ทันความคิดมันก็พูดอ่าถูกต้องมันก็เป็นสัมมาวาจาอาชีพก็เหมือนกันเราประกอบอาชีพที่พุชดิบเพราะเรามีความโรคหรือเพรเราเห็นผิดนะ ทำผิดสิงแต่ถ้าเรามีสติเราต้องมีทำผิดสิงความโลภนึกอมออกไปแากจิตใจของเราได้ก็ เ, เป็นสัมมาอาชีวะนะความเพียรก็เกิดขึ้นได้นะวิสติเนี่ยมีความเพียรนะความเพียรไม่ใช่ว่าเราต้องทําหามรุ่มหามค่ า, านะแต่ถ้าเรามีสตินเนี่ยแหละคือความเพียรไม่ว่าจะโยมจะนอนเล่นๆ น, นะกระดิกเท้าแต่โยมรู้ตัวเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีความเพียร น, นะนะ แต่บางคนเดินจงกรมแต่เคร่งเครียดเนี่ยไม่มีความเพียรนะเข้าใจไหมหนั่งสมาธิาดับตาหลายชั่วโมงแต่ลืมเนื้อลืมตัวจิตมันดิ่งอยู่กับแค่สมาธิอันนั้นเลยไม่ได้ส่งเพียรนะอแต่ถ้าโยมนอนดูลมหายใจสบายๆเห็นกายเข้านอนเห็นลมหายใจมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออก เห็นใจเริงเถลอไปคิดอ้าวนอนเรื่ยอยๆอาจะไม่เผลอไปคิดอีกแล้วเป็นจิตเั้งเถลอไปคิดไปไม่ไหลไปกับจิตที่เผลอไปคิดอันนั้นมีสติแล้วนะถือว่าเป็นคู่นอนอย่างมีสติอ่าออันเนี้ยดีกว่านั่งนานๆแล้วไม่รู้ตัวดีกว่าเดินนานๆแล้วก็อ่าคุงสร้ามน้อะนั้นถ้าเรามีสตินะเรามีทั้งความเพียรมีทั้งสมาธิอยู่ในตัวมักมันจะเดินแบเนี้ยมัก นะหรือจะมักก็อีกอย่างก็ได้นะมักตัวย่างนมักภาษาอีส า, านะมักติด่อบชอบที่จะทำนะชอบที่จะทําเหตุนะคนที่อนะคนที่เป็นอนะนักปฏิบททัติจริงมันต้องเป็นคนที่ชอบทําเหตุแต่คนมักง่ายเนี่ยอยากได้ผลใช่นะัหมที น, นี้ชาวพุทธเราเนี่ยเป็นพวกไม่ใช่ไม่ใช่มัดแบบ แบบชอบนะจะเป็นพวกมักแบบอยากได้นะแตบบ่เราไปไหว้พระเวลเราไปทำบุญนะ่ะมักแบบไหนมักแบบขอนะนะาะมักง่ายขอนะขอให้รวยขอให้สวยขอให้เกิดนะในที่ดีดขอให้้นทุกข์นะนะนะเรามักแบบมักง่ายมักแบบมักขอนะเป็นสาวกของใครก็จะสาวกของพระพุทธเจ้านะ สาวกของชูชบน่ะนะเนะช่าขอนะแต่ถ้าเราเป็นมักแบบเป็นผู้ที่เป็นส า, กาวกพุทธเจ้านะจะมักทําเหตุนะจะชอบในการทําเหตุเหตุก็คืออะไรมาเจิญสติกเนี่ยแหละคือการทําเหตุนะจะเดินทางมักเนี่ยแหละทําเหตุไป เ, เรื่อยๆเหตุทําดีมันต้องเกิดผลดีนะถ้าเราเป็นโลกศิลปุจ้าเราจะเชื่อเรื่องกรรมนลยนะ กรรมคืออะไรการกระทำนะแต่บางคนเนี่ยพอพูดถึงกรรมเนี่ยไปคิดถึงแต่เรื่องผลของกรรมเมื่อไรเราจะถึงจะได้ดีหรือพอมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตไปคิดนะทางที่เราทำกรรมอะไรก็ถึถงรวยแบบนี้ปีนี้ปีชงของเราหรือเปล่าต้องไปแก้แบบไหนนะต้องไปสดอสดสอดคล้อที่วันไหนดีนะไปคิดถึงกรรมแบบต้อไปคอยให้คนอื่นช่วยแก้ หรือต้องไปบนบานศาลกาลให้คนอื่นแก้ไม่ต่างจากพราหมสมัยก่อนเลยนะพราหมสมัยก่อนเขบูชายัญเขาเอาแพ้เขาแกะ เ, เอาอะไรก็บูชาเทพเจ้าตอนนี้ชาวพุทธเราก็เริ่มเอาสัมภารไปบูชาพระแบบแก้กรรมใช่ไ้ยเอาพระพุทธูกไปถวายวัดแก้กรรมนะมันเป็นเรื่องของการแก้กรรมทั้งหมดแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีปัญญาเราจะมองกรรมคือเรื่ เราจะทำทำดีเพราะเทียบอกทำดีดีนะแต่ชาวพุทธเราตรนี้ทำดีต้องได้ดีคําว่าต้องได้ดีคืออะไรเราหวังผลเ ร, เราไม่ได้จบแค่ว่าทำดีก็ดีแล้วใช่ไหมทำชั่วชั่วนะอเนี่ยมันก็มันก็จบแค่ตรงนั้นเพราะอะไรทำดีถ้าเราทำดีแล้วางใจดีดจริงๆอ่ะจิตมันมีความสุขอะใช่ไหม เราพูดดีเนะี่ยจิตมันมีความสุขนะเราช่วยเหลือใครจนะิตมันมีความสุขเนี่ยทําดีมันดีในตัวแล้วนะไม่ต้องรอว่าใครต้องเห็นเราดีหรือเปล่าไม่ต้องรอว่าผลดีมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเพราะถ้าเรามีสติอยู่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าเมื่อเราเมื่อไหรเราทําดีเนะี่ยจิตมันมีความสุขหรือบางทีการทําดีด้วยการรับช่วยเนี่ยจิตก็มีความสุขนะเช่นเราโกรธใครเราไม่พอใจใครเนะี่ยพอเราให้อะไใครไปได้เนี่ยมันหวาง จิตที่มันหวานเป็นความสุขนะแต่จิตที่มันโกรธมันเป็นความทุกข์มันเห็นแล้วปุ๊บแค่ปภัยทานเนี่ยก็เป็นความสุขแล้วอ่าหรือที่จริงนะสังเกตตอที่จิตมันอยากได้อะไรนี่สักอย่างหนึงเนาะอยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้รถใหม่อยากได้เสื้อใหม่อยากได้อะไรสักอย่างจิตมันทุกข์ที่พอวางความอยากได้เนี่ยมันเบาใช่ไหมสังเกตั้่เนี่ยตอนมีสติมันจะบางที ปลอยวางเนี่ยค่ะจะทั้งเรื่องภายนอกแล้วก็เรื่องภายในใจของเราเนะปัิกิเหตุนเนี่ยเอยตอตอนมีสติจิตมันเบานะี่คือจิตที่มีความสุขนะจิตที่เป็นปกตินะจิตที่มันไม่แบกไม่ยึดนี่แหละคือการทำดีเนาะนี่แหละนี่แหละคือการภาวนานี่แหละคือการไม่ทําความชัว่วนะโดยรั้นตั้นก็มาสู่วิธีการเนะี่ยแค่เราทําความรู้สึกตัวนะมันจะเกิดทั้ง ทุกอย่างไปในตัวของมันเองนะอยากให้เราให้โยมลองลองทอําดูเนาะเพราะว่าถ้าเราทําเนี่ยเราจะเกิดความเข้าใจแก่นของพุทธศาสนาเนาะนะเข้าใจเรื่องที่เป็นกระทีของพุทธศาสนาเข้าไปเข้าใจเรื่องที่เป็นพิธีกรรมนะเป็นความเชื่อเข้าใจเรื่องที่เป็นศาสนาหกหกคนในพุทธศาสนาเข้าใจทุกอย่างในะเรื่องจากการที่เราเข้าใจแก่นนี่แหละ เราจะเข้าใจทุกอย่างนะแก่นจริงๆก็คือเข้าใจตัวเองไม่ได้ต้องไปย้อนผ่านรู้ศาสนาไปเรียนอะไรนะแค่กลับมาเข้าใจตัวเราเองนะี่แหละมันจบนะสมัยพุทธเจ้าไม่มีมหาวิทยาลัยสมแต่พระเจ้าท่านสอนให้สงฆนะ์น่ะคือสอนให้สาวกเนะี่ยกลับมาเรียนรู้ธรรมะในในใจของเราเองในกายของเราเองนะี่มีแค่นี้นะนะนะพระเจ้าขอให้ธรรมะนะนูน่น ป่าไม้นุ่นภูเขานุ่นเนินว่านุ่นถ้ำพเพราะเธอจะไปที่เหล่านั้นไปอะไรไปดูไปดูธรรมะที่มันแสดงในกายในใจเราไปดูตรง น, นั้นนะะแต่สมัยนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกให้โยนไปเข้าถ้ำไปเข้าป่านะแต่บอกให้โยนว่าให้ทําอะไรเนาะให้พยายามกลับมารู้ตัวนะให้กลับมารู้ตัวเราไม่ต้องไปอิจฉาคนอื่นที่เขาได้ไปบวชเนาะ ไม่ต้องกิจฉากคนอื่อนที่เขาได้ไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมเราก็สามารถทําได้นะให้เรามิสติคอยตามรู้ยิ่งพระโยงเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยยิ่งมีสิ่งกระทบเยอะเอาสิ่งที่กระทบเนี่ยเป็นตัวเตือนเตือนคอยเห็นใจเราที่มันไหวไปกับอารมณ์ต่างๆพอเรารู้ทันนั่นเยกว่มีสติแล้วนะมิสติทุกครั้งจะเดินก็มีสติ เด็กนั่งก็มีสติเด็กกินก็มีสติพยายามทำไบ่อยอย่าไปประเมินมากว่าวันนี้เราสลงกี่ครั้งหลงนานหรือเปล่านะหลงมากก็ช่างหมวมันเพราะทุกครั้งที่เรารู้ว่าเราหลงเนี่ยนั่นแหละเรียกว่ามีสตินะแต่ถ้าคนที่ไม่รู้ตัวว่าหลงเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนดับนะก็อยู่ในโลกของความหลงตลอดไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเราฝึกสติเราจะเห็นเลยว่า จิตเราหลงไหวมากจริงๆนะเมื่อมีสติมันจะเห็นความหลงแวบนิดนึงนี่ตาเห็นรูปนี่มันหลงออกไปดูละหูได้ยินเสียงหลงออกไปฟังละใจเห็เฉยมันก็คิดของมันเองนะพูดในใจของมันเองรู้สึกของมันเองเราบังคับไม่ได้แต่เราเป็นเพียงผู้ดูเนี่ยมันจะเห็นมันแวบมันแวบมันแวบมันไหลไปให้เห็นแวบๆน่ะดีละ เห็นนั่งไหลไปนั่งไหลไปแต่ตัวผู้ดูมันไม่เป็นประมาณเนี่ยคือเรามีสติเราจะเป็นผู้ที่ว่าอยู่เป็นปกตินะเป็นผู้ที่เป็นผู้ดูทุกอย่างที่มันแสดงเราทำเช่นนี้แหละคือการภาวนาเนาะปัญหาก็ผููไม่ต้องฟ้องนะเวลาตรงๆอยู่เนี้นะให้พวกเราได้ได้ภาวนานะก็อยากจะพูดสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระนะ ที่ผู้เจ้าทัางคนพบแล้วก็ผูว้วาจยา์ได้สอนไว้นะเขา อ, อยากให้เราได้ไปสามตอบได้ไปทำต่อในแก่งธรรมะตรง น, นี้แหละนะถือว่าตรงที่สุจริตนะอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่านะเรื่องของเรานะนะก็มีใครเคยเป็นภาวนาแบบแต่ละเม่เรียนแล้วบ้างยกมือหน่อยมีใครยังไนมะ่เคยบ้างหลายคนเะนาะนะ อัอ่างนี้แ้ว ก, กั น, น้นก็เหมือนปักที่แล้วใครที่เคยฝึกแล้วแล้วก็มีชั้นชั้นบนอีกสองชั้นเนาะนนก็เตรียมตัวเป็นภาวนาข้างบนก็ได้หรือถ้านจะจะอยู่ภาวนาในห้องแข่นี่ก็ได้นะมีห้องแขกใแค่ตรงนี้ข้างบนไม่มี้แกรนะจะเรียกแบบไหนเห็นใจไหมเห็นใจล้วก็คง แอะดีกว่าเนาะ <c oughs> บางคนอาจจะคิดแบบนั้นนะอืไม่เป็นไรนะใจมันคิดไม่ใช่รอคิดนะเนี่ยเราส็งเกตบางทีนะบางทีนนะแบบไหนดีบางทีกิเลสก็ชวนนะแต่ชวนก็ไม่เป็นไรนะถ้าอยู่แล้วเราก็ไม่ท้องสนมมันแล้วก็มีสดติการรู้กายก็ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าบางทีเราเผลอไปทำอะไรแล้วมันต้องผิดปตลอดนะมันไม่ใช่เชิงขนาดนั้นหรอกนะอ่าไม่ใช่ บางคนไปเปรียบเทียบก็เหมือนติดกระดุมเม็ดแฝดผิดทุกอย่างก็ผิดหมดหมายความว่ามันกาไม่เชิงขนานั้นหรอกสมมติสมมตินะแค่สมมติรเราขาตสติเป็นเผอซื้อขนมนักวก็มาความอยากใช่ไหมแต่พอเรารู้ตัวว่าซื้อเพราะความอยากแต่ตอนเราก็มีสติในการกินใช่ไหมกินอย่างมีสติไม่โดงรสชาตินั่มันก็มันก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยากแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวนะ ซื้อเพราะความอยากกินก็เป็นความหลงอันนี้คือขาดสติแต่บางทีเอ๊ยัเผลอไปซื้อแล้วเ อ, อรูต้ตัวเสแต่ตอนกินฉันจ ะ, จะมีสติทนะันกินใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วต้องทิ้ง น, นะมันผิดก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะบางทีแล้วก็มันเผลอไปปั้งแหละธรรมดานะแต่พอเรารู้ตัวว่าเรามีสติมันก็จะกลับมานะแล้วก็จันบนแล้วก็ประมาณ สิบเอมงคึ่งเนาะสิบเอ็ดมงคึ่งเราจะป้าอาจะกลับมาตั้งสิบเอ็ดโมงยี่สิบห้าก็ได้เราจะได้ผ่าพระแล้วก็ไปรับประท า, านอาหารเนาะส่วนคนที่ยังไม่เคยฝึกปฏิบัติหรือว่าใครที่จะยัอยู่ในห้องแอร์ต่อก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวป้าจันตุ่มถ้าจะแนะนําเรื่องการเตือนสตินะในรูปแบบของพาะเทียนนะในการยก ม, มือสั้งจังหวัดแล้วก็การเดิจนจมกรมเนาะ หักตามนิมนต์อาจาร์ตุ้มได้ตอนยัดยงต่อนสน่วนใครจะแยก ย, า ย, ย้กยายขึ้นไปข้างบนกินดเลย